อาวสั่งใจฟังต่อเอวันนี้ซึ่งสร้างโกฎอันนึงขึ้นมาเกี่ยวกับการสมัชธานสินจะให้ญาติโยมทุกคนเข้าใจในการสมัชธานสินนั่นเนื้อแท้ของการสมัชานสินนั่นคือการงดเว้นนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นไกลสมัชานสินคือเพื่ออยากจะให้งดเว้นจากกลมชั่วทั้งหลาย าการงดเว้นจากความชั่วทั้งหลายการสมทานท่านจัดว่าหนึ่งสมทานกับบุคคลอื่นเช่นเราสมทานกับพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยนี่สมทานกับคนอื่นหรือกับใครก็ได้แต่ว่านิยมสมทานกับครูบาอาจารย์ จะไปสมาชชากับโยมด้วยอกันกระดู้มันกะไรยอยู่เพราะมันถือเข้ามาในกระดูนานแล้วไอความจริงจริงก็คือที่สมาชชานั้นก็คือไปสมาชชาจากคนผู้ฉลาดผู้ฉลาดนั้นก็เรียกว่าชี่จะบอกผิดถูกของเราเท่า น, นั้นแหละใครใครก็ได้แต่ท่านสามารถจะบอกโทษของการไม่มีศีลท่านจะบอกประโยชน์ของการที่เรารักษาศีลได้ ให้เราเข้าใจเท่านั้นก็เรียกว่าเราปฏิบัติถูกนี่เรียกว่าสมทานจากผู้อื่นหรือเราสมทานจากครูบาอาจารย์เป็นส่วนมากก็ครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของเราอยู่แล้วถ้าเราไปกราบท่านแล้วก็พอใจจะ ก, กล่าวแค่ก็ฟังธรรมก่อนท่านแล้วก็เคารพในท่านสุกทิงทุกอย่างต่อเพิ่มความมั่นใจขึ้นอีก อย่างนี้เรียกว่าสมทานาวิรัติสมทานจากผู้อื่นงดเล่นแล้วแต่จะบอกปานาอจินนาสามเเมมูสาสุราหรือตลอดอุโบโสถสินวันนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเราสมทานจากท่านผู้อื่นผู้อื่นบอกผู้ที่จะบอกเรานั่นก็เป็นที่นาเรื่อมใสในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมวีไน จัญญามารยาทจะเป็นพระเป็นเนนเป็นทายกทายกาใครใครก็ช่าอแต่ว่าเป็นธรรมพูดที่เป็นธรรมให้เราเข้าใจอันนั้นเราก็งดเว้นเป็นศินประการหนึ่งประการที่สองนั้นไม่ต้องสมทานกับใครเพราะเราเข้าใจแล้วอืเราะระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้ว นะ อ, อซึ่งเป็นเจ้าของภศรศาสนาแล้เราก็กาหนดว่าเราจะสมรทาศิลงดเล่นจากข้อวัดอะไรแล้วก็งดเกี่ยนโยตนเองเอาตัวเองเป็นพยานอันนี้ยิ่งปัวเก่าเป็นทิชีภูตัวเป็นทิขีพูโตเอาตอนเองเป็นพยานของตนที่เรียกว่าชำระาโดยต น, นเองเป็นอิสระ อันนี้อาศัยตัวเองถ้าตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ควรเชื่อได้ตามความเป็นจริงแล้วอันนี้ก็สูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเราอาศัยตัวเราเองสูงขึ้นกว่าไปเกาะคนอื่นเราไปเกาะคนอื่นนั่นก็ดีอย่างหนึง่งแต่ว่าคนอื่นนั้นหนักจะอาศัยคนอื่นก็คล้ายๆแล้ว่ะ กำลังเรามันน้อยเราต้องเกาะคนอื่นเข้ากำลังไม่มากต้องอาศัยคนอื่นเขา้าไอ้ความเข้าใจไม่มากความรู้ไม่มากความฉลาดไม่มากเราต้องอาศัยคนอื่นเข้าเป็นธรรมดาอันนี้ยังหยาบไปหน่อยอาศัยตัวเองเป็นคนที่เชื่อตัวเองอืม응เป็นคนที่เชื่อตัวเองเห็นตัวเอง Ừ, เห็นตัวเองชัดเรียกว่าสมทานด้วยตัวเองเป็นสัมปชัญญิรัตน์งดเด็ดขาดโดยตวเองเลยไอ้ที่มันสิ่งที่เรานึกเห็นว่าที่มันไม่ดีมันผิดจากศีลของเรานี่เราก็เลิกมันอันนี้ง่ายง่ายแต่ว่าทายไปจริงมันชอบโกหกจกของนะนี่ มันชอบโกหกเจ้าของก็เหมือนเรามีมีหลักหมุดอันหนึง่งเราตั้งไว้กลางทุ่งนาหรดูต่างแจ้งหลักหมุดหลักนั้นมันมีหลักหมุดอันเดียวถ้าเราเดินอ้อมไปทางจิตใต้มองไปมันก็ตรงทางทิศเหนือถ้าเราเดินไปทางทิศเหนือมองดูมันก็ตรงไปทางจิตใต้ ถ้าเราเดินไปทางตะบน อ, อกมองไปมันก็ตรงไปทางทิตะวันตกถ้าเราเดินไปทางตะบนตกเดินมองตรงไปมันก็ตรงไปทางตะบน อ, อก <c oughs> มันเป็นีนสาอย่างนี้เออเนี่ยมันเป็นซาอย่างนี้ออ <c oughs> ทีนี้ เ, <c oughs> เราต้องเชื่อตัวเราเองอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเรามีพุทธังธรรมังสั้งคังมีหลักศักษามหมดเอาไปปากตรงหนึ่งหลักนะ <c oughs> แล้วจะมองดูไปทางโน้นเอาหลักที่สองไปปัดตรงอีกนะมองดูหลักหมุดขั้งแรกไปหาหลักหมุดต้นที่สองมันรตรงกันเอาต้นที่สามไปปัดต่อกันสามหมุดที่มันตรงกันเสมอเป็นต้นอันนี้มันมีพยานรอบร้านเลยตรงเลยต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองต้นที่สามมันตรงไปทั้งนั้นนะอันนี้มันมีพยานไอหลักเดียวนี่มันสาคัญอยู่สาคัญอยู่ <c oughs> อย่างเขาจะตัดถนนไปทางอไปถูกบ้านเราเนี่ยเรายไม่ใช่มันตรงไปโน้นเราเดินอย่างเงี้ยมาเดินไปโน้นจะไปถูกบ้านโน้นเอาจะมาถูกบ้านเราแล้วมันตรงไปโน้นอย่างนี้เออมันก็ตรงไปเรื่อยๆไปยังไงอันนี้มันเป็นอิสระนี่จะต้องสหกว่ามันดีมันก็ดีจริงอืถ้าไอ้ตนที่จะต้องเป็นพยานนั้นเป็นผู้เข้าใจในธรรมะจริงๆแล้วมันก็ดีมากที่สุด อย่างนี้พระพองค์กันสรรเสริญอย่างนั้นอันนั้นเป็นสัมปตวิรัติงดเลี้ ย, ยงด้วยกัะเด้งสมุเฉศวิรัติอันนี้เป็นต้นอืมเด็ดขาดเลยอืมไอ้ขึ้นชื่อว่าไอ้ที่มันไม่ถูกไม่ตรงต่อไอ้ความจริงแล้วเลิกมันจะตายมันจะเป็นก็ช่างมันเถอะเลิกเลยบอกทีเดียวเท่านั้นเลิกเลยนี่เป็นสมุเฉศวิรัติ เป็นคําที่ในปฏิ ญ, ญาณของพระอร ד ยเจ้าเป็นศีลของพระอะ די ยบุคคลเป็นศีลของพระธิดเจ้าศีลมอมโสมนี้มันจ่ายมาเนี่ยให้คุณฆ่าซะไม่ยอมฆ่าคุณไม่ฆ่าฉันจะฆ่าเธอนะแล้วแต่เธอนเนี่ยเด็ดขาดแล้วอย่างเนี้ตรงเลยนี่เรียกว่างศีลพระอะ די ยบุคคลถึงสรรพถึงประธรรมถึงประสงค์อย่างแน่นอน เป็นสินที่บริสุทธิ์ผุดพองอืมันเป็นวิมุตต์อันนั้นมันเป็นสินพระอราญะบุคคลสินพระดีเจ้าแน่นอนเอาชีวิตเปลี่ยนเอาสินเลยแรกเอาสินไอ้พวกเราจะสมัมปัตติรดิลัสสมรชาระดิรัสารารนี่ก็เรียกว่าเอาเลี้ยงออกไปได้สมุ ท, ทรเชษวรรันดัดตัดขาดเลยไมว่ามันจะตรงไปไหนตัดไปเลย อันนั้นเรียกว่าคําเดียวน่ะเป็นสินอันเลิอดเป็นสินอันประเสริฐทั้งสามประการนี้เราจะสมาทานสินนั้นเอาที่ไหนก็ได้คือสินนั้นไม่มีที่อยู่ไม่อยู่ในการทุ่งไม่อยู่ในป่าไม่อยู่จิตถนนไม่อยู่ที่ไหนทั้งนั้นแหละอยู่ที่จิตใจของเราทั้งหลายนั่นนหละเมื่อมีจิตงดเว้น ก่อวิรัตขึ้นตรงไหนก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่เป็นศีลทั้งนั้นให้เข้าใจใส่อย่างนั้นศีล น, นี้เองเป็นพ่อแม่ของธรรมะคนที่ไม่มีศีล น, นี้ธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับคนเรามันต้องอาศัยพ่อแม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีพ่อพีแม่เกิดเกิดขึ้นไม่ได้พ่อแม่เป็นเหตุของบุตร บุตรเป็นผลเกิดมาจากเหตุคือพ่อแม่สินนี้คือเหตุเป็นแนนเป็นแนลนเกิดของธรรมะทั้งหลายคือสินนี้ไม่ใช่ของเง้นเดือนสินแต่ว่าเป็นของมีคุณค่าราคามากเมื่อมีใครที่มายกขึ้นประพฤติปฏิบัติก็เหมือนถาดทองใบหนึ่ง มีราคามากอยู่ในบ้านเราในสมัยต่อมานี่เขาเลือกใช้กันแล้วถาดทองใบนั้นน่ะมันจะมีสีมีสุขขนาดไหนก็ช่างมันเถอะมันจะมีราคาขนาดไหนก็จะมันก็ต้องรลดราคาเมื่อคนเราไม่มีความสามารถไม่สนรเสริญเยนยอถาดใบนั้นมันก็เป็นถาดที่เปล่าจากประโยชน์สีละคือสีนี้ก็ดี เป็นของตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าคนไม่ประพฤติปฏิบัติไม่นับถือเป็นต้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับใครทางนั้นน่ยอ่อเพราะสินทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นเอ่อฉะนั้นการประพฤติทำปฏิบัติทำนี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่เราจะต้องหาเหตุผลมันดังนั้นท่านจึงเรียกว่าสินนี้เป็นพ่อแม่ของธรรมะอะสินอ่ปราบกายปราบมาจา ธรรมะปราบใจพูดกันง่ายๆศีลเป็นใจบักกายกับวาจาคนนี่วาจาดีกายก็ดีก็เป็นที่จะเชื่อมั่นไปสัก 50% าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ก็ใจไม่ดีพูดเอาดีก็ได้ค น, นพูดดีก็ได้กายไม่ดีทากายให้ดีมันหลอกรวงได้ถ้าถึงถ้าพูดไปถึงธรรมะเรื่องจิตแล้วดีไม่ได้ ตรงไหนตรงนั้นเลยฉะนั้นธรรมนี่ยมันจึงเกิดเกิดมาจากศีลนี่เป็นเหตุการปฏิบัตินี่จึงเป็นของที่สําคัญไอ้พวกเราทั้งหลายตัวเหมือนกันอืศีลนี่ถ้าจะพูดไปมากมันกว่ามากถ้าจะพูดกันง่ายๆมันไม่มากต่อศีลหนึ่งมันความรายต่อความชั่วตัวเดียวฉะนั้นแหละอมันไม่ต้องไปไหนหรอกมันจะต้องเป็นศีลขึ้นมาทันทีล่ะ เทารานั้นก็เหมือนกันกระที่คะ่ะว่าไอเราปลูกหญ้าหรือปลูกผักนะมันจะต้องอาศัยปุ๋ยมันเอาปุ๋ยใส่เข้าไปมันก็งามขึ้นแต่ว่าสถ า, านที่นั้นมันดินไม่มีปุ๋ยเอาปุ๋ยใส่อีกคนหนึ่งเ้ามีที่ดินมันมีปุ๋ยในตัวของมันนั้นไม่ต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกมันก็งาม มันก็งามในตัวของมันอันนั้นคนเขามีความอายอยู่แล้วมีความกลัวอยู่แล้วคือมันมีปัจจัยอยู่แล้วมันจึงเป็นเหีห้ยในกลัวให้อายเออันนั้นมันจะงามอยู่แล้วพอมีคนมาเอาดินนั้นไปทำํำนาหรือทาสวนทําให้เกิดประโยชน์มันก็งามขึ้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันเพชอบปุ๋ยมันมีอยู่แล้วอย่างนี้ก็มีเราจะดูคนคนทุกทุกคนในเวลานี้ก็ได้บางคนไม่ต้องสอนง่ายไม่ต้องสอนยากหรอก บอกคําเดียวต้องคำรู้เรื่องง่ายๆบางคนตอนเช้าก็บอกตอนเย็นก็บอกบอกกันอยู่จนจนมันไม่รู้เรื่องเลยบอกจนทะเลาะกันอืบอกหลายจนทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นแค่นั้นที่นี่ปัจจัยคนมันที่ต่างกันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติเองพวกเราคมวันกันชนะไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาไม่รู้ว่าพระหรือเนรให้ทั้งหมด มันไม่เหมือนกันโดยการกระทาของเราโดยจิตใจแต่เขาถือพาสิปะนานาจิตตังมีจิตต่างๆกันอืมถ้าจะทําอะไรเอ้ยอันนั้นมันคดีไว้อย่าไปทําเลยอ้าวมันนาณาจิตตังเลยใครอยากทําอะไรก็ทําเนี่ยมันไปเข้าใจผิดบะนานาจิตตังไอ้คุณจะว่ามันถูกก็ช่างคุณเถอะมันไม่ถูกหรอกธรรมะไม่บอกอย่างนั้นธรรมะแต่เป็นอย่างนี้ก็วกกลับมาทําำสิ อันนี้หลายคนนี่ก็นานาจิตตังใครก็นานาจิตตังก็แตกผุม ก, กันเท่เนี้ยเพราะ ท, ทําแต่านานาจิตตังเลยต่างจิตต่างใจคนแล้ใจจะทำเอ้ยนี่เอาไปปฏิบัติติดีตายกันหมดเลย ะ, ะมันจะไปถิ่นนานาจิตตังก็ช่างมันแต่มันผิดเนี่ยี่มันผิดนี่นานาจิตตังก็ช่างมันะใครจะมีทิฏฐิมรณนะมีโลภมีโกรธมีหลงประชันถ้าพุทธเจ้าองค์ท่าน่าให้วันเขา โลกโกดดดงไปกว่าจนว่ามันจะหมดไปนั่นแหละคือคำสอนของพระนั่นคือศาสตร์อันดีที่สุดนะศาสตร์อันดีที่สุดคือพุทธศาสตร์ต้องมารวมอย่างนี้อืมศาสตร์ทั้งโลกเขาก็เป็นศาสตร์ดานาจิตต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างโตต่างคนต่างยิ่งใหญ่ไปสูงมันก็เข้ากันไม่ได้เท่านั้นมันก็วุ่นไปเท่านั้นอันนั้นมันศาสตร์นั่นมันศาสตร์ออกข้างนอกไม่ใช่พุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์อะไรมันจริงมันมันถูกแล้วผมฟังกันเด็กมันก็ฟังกันเด็กรู้เรื่องกันเด็กฉะนั้นจริงเรียกว่าไอธรรมะเนี่ยเมื่อเราเรียนมาแล้วนะนะ่ะเพื่ออะไรเนี่ยธรรมะคือเป็นวิชาที่แก้ปัญหาปัญหาในโลกนี่มันทุกอย่างที่เราปฏิบัติธรรมะแต่นเนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมะนี่คือเราแก้ปัญหา ปัญหาตัวเองก็มากปัญหาคนอื่นก็มากปัญหาครอบครัวก็สารพัดอย่างไี่จะแก้ปัญหาทั้งนั้นมันยุ่งยากทุกวันมันแก้ปัญหากันทั้งนั้นปัญหามันมากเรื่องมันหลายอย่างสารพัดอย่างเ่ฉะนั้นแก้ปัญหาอย่างอย่างที่แท้จริงนั่นมันก็หลายอย่างปัญหาที่แท้จริงๆนั้นฉันว่าคนที่แก้ปัญหามันก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีคนที่แก้ปัญหาก็ไม่มี ปัญหานั่นก็ไม่มีเนี่ยให้ลงจุดเนี่ยจะทำยังไงถ้ามีคนแก้ปัญหาปัญหามันก็มีเยอะเนี่ยถ้ามีปัญหามาให้คนแกกคนก็มีเยอะไม่จบเรื่องมันไม่จบเรื่องของนั่นโลกเมื่อพูดถึงธรร ม, มะเฉะปัญหาก็ไม่มีคนที่จะแก้ปัญหาก็ไม่มีเนี่นี่ทำใไม้มันหมดอย่างนั้นอสงบเท่านั้นแหละมันสงบอย่างนั้น มันก็สงบขนาดมันก็สงบนีมีคนแก้ปัญหามันก็มีปัญหามีปัญหาก็มีคนแก้ปัญหากต่พูดซะ ง, ง่ายๆนะสภาพโลกของเราี่สมัยก่อนนะจะเป็นต้าบ้านเมืองเรามันมันไม่มากก็ได้นะไอเมืองอุบลเราเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไม่เคยมีน้ําจตท่วมหรอกเพราะว่ามันไม่มีเขื่อนนะ ทุกวันนี้ว่าว่าเมืองมันอดอยากมันไม่พอกินการน้ำมันอดไปกั้นเขื่อนกั้นไปกั้นไปกั้นทุกที่ทุกทางเนี่ยกั้นไปกั้นไปต้นไม้มันก็หมด้ปั้นไปกั้นไปเมื่อเวลาน้ามันมาผมว่าขังอยู่ตีเดียวกันนะมันขังแห่ยังญ่ทำไงมันจะท่วมตายก็ปล่อยเขื่อนเท่านั้นแหละปล่อยเขื่อนทั้งทั้งล่างหลังจากก็ตายวุ่วายไปท่วมบ้านท่วมเรือนหมดแล้วสมัยสมัยก่อนมีท่วมไหมนี่เราปล่อยตามธรรมชาติมันสม่ําเสมอเนี่ย นี่คือความเจริญมันเึิดมาไอ้ความเสื่อมก็ตามมาอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็อดอยากมันแก้ไม่พ้นเลยมันเจริญขึ้นมาความเสื่อมก็ตามมามันเป็นอยู่มันแก้ไม่พ้นอารมณ์มันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้คือมันมีที่จะต้องแก้นที่สภาพที่มันสุดจบของมันนั่นเนี่ยไอ้ปัญหาก็ไม่มีคนแก้ปัญหาก็ไม่มีหมด จะทำยังไงนี่ปัญหาคือชีวิตเราทุกคนเกิดมามันทุกมันยากมันลําบากเยมันลำบากมากมันลําบากอืมันลําบากเพราะอะไรหลายชีวิตมันเกิดมารวมกันแล้วมันก็ต้องวุ่นวายเป็นธรรมดาของมันเนี่ยเป็นธรรมดาของมันเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่พระพุทธองค์ชั้นมากว่ามันมีปัญหาก็มีคนแก้ มันมีคนแย่ก็มีปัญหาตลอดอยูอ่นี้ถ้ามันนีเกิดมันต้องมีตายนะ่ะนี่เป็ น, นอย่างนี้ทุกวันนี้เราก็แสดงหามาหาเกิดแต่ตายไม่ต้องแสดงหามันมันกติษะคือไอ้ความตายมันอยู่ข้างหนึ่งไอค้ความเกิดมันอยู่ข้างนึ่งอยู่แล้วเราจะไม่อยากไรขนาดนี้มันกติษดตามไปด้วย เป็นเรื่องธรมรมดาอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าองค์ท่านบอกว่าอย่าเลยอย่าแสดงความเกิดเลยถ้าเกิดมาแล้วมันตายอีกไม่ยอมไม่ยอมนะอย่าเกิดอีกแต่อย่าเกิดแต่ฉันไม่อยากตายหรือตายก็ให้คนอื่นตายก่อนเ ฉ, ฉันจะค่อยๆตายทีหลังก็ <c oughs> หรือถือจะตายใครให้นานที่สุดละนะ ในนานที่สุดมันก็ทุกข์สิเอ้าอยู่นานๆใครจะไม่ทุกข์หรอมันก็ทุกข์เอืมอะมันทุกข์โยตีแปดสิปีเก้าสิปีเอาสินะมันจะเล่นขี้เล่นเยี่ยวอยู่ตรงนั้นแหละเราทุกข์คนเนีวคนหนึ่งก็ทุกข์ไปด้วยเนี่ยเราก็เนื่องว่าไอ้ชาเกิดมาไม่ตายมันจะดีนั่นแหละมันคิดโง่ที่สุดแล้วนะโง่ที่สุดแล้วก็เหมือนกันที่ไอ้ตายก็เกิดนี่ก็เหมือนใจลมหายใจเขาออก ถ้าคนเข้าใจว่าเกิดแล้วไม่ตายจะดีหลายลองอึดอัดลมเข้าไปเดียวนี้ี่ไม่ต้องออกมันดีไหมลมออกไปหรือลมเข้ามาอะไรมีราคากว่ากันไม่สุกวันนี้หายใจออกมีราคาหรือหรือหายใจขันใจเข้ามันมีราคาอ้าวเอ า, เอาทีเกิดจะตายก็เหมือนลมหายใจเข้าออกนี่นฉันฉันว่า หันใจเข้าฉันบัลลีกว่าเอาอย่าหายออกสิลองสิเอาลองดีแต่เห ล, ลือกีกกก่นาทีไหมถ้าคนเห็นว่าหายใจออกดีกว่าเอาร่มเข้ามาเอาลองลองสินี่จะได้กี่นาทีล่ะเนี่ยฉันบัลเกิดดีกว่าตายเอาเกิดมาสิฉันมาตายดีก็เกิดเอาสีอัตมาเห็นว่าเมื่อพูดตามคําสอนของพระอัตามามันพอดีแล้วนะ มันเกิดเกิดตายตายอย่างนั้นถ้าจะตัดบท ม, มันจริงพระพุทธองค์ท่านว่าอย่าแสวงหาทางเกิดเถอะท่านว่าผู้เห็นสุญญาตามัจจุราชตามไม่ทั น, นมัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชคือความตายความตายจะไม่ถึงพวกเราทําไมเพราะเราไม่มีนะ เพราะเราไม่มีไอ้ก้อนนั่งอยู่นี่น่ะท่านเรียกประขันกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองย ม, มยานเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มีปัญหาถามพระอริยะเจ้าท่านตายแล้วไปเกิดที่ไหนไม่มีทางจะตอบมีทางที่จะตอบว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารดิน ญ, ญาณเกิดแน้วดับไปกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองดิน ญ, ญาณฉะนั้นคนอยู่ที่ไหนแล้วตรงนี้ก็สมมุติว่าดินน้ำไฟลงเท่านี้มรจุนจาชตามไม่ทันมันก็ตามทันแต่ดินน้ำไฟลงมันแตกไปคนไม่มีในตรงนั้นนี่เห็นโลกเป็นสองศูนย์อย่างนี้เราก็ไม่อยู่ตรงนั้น มัจุราชก็ตามไม่ทันเราก็ไม่ตายเห็นไหมเรามันก็ไม่ตายที่ไม่มีเรามันไม่มีตัวตนฉะนั้นพระพาาุทธเจ้าจะอยังเป็นอนัตตาอนัตตาเราฟังไม่ชัดอนัตตาจริงๆที่ไหนคนที่ไหนมีแล้วกองดิมกองน้ำกองไฟกอง ม, มันเป็นสุญญตาอยู่แล้วถ้ามันสูญไม่แล้ไปตั้งสมมติแต่มาอันนี้ของอันนี้เราอันนี้ของเราอันนี้ฉันอันนี้ของฉันมันก็เป็นตัวเป็น ต, น, ตนขึ้นมาเ อ, อถ้า ดินน้ำไฟลมมาแตกไปก็เราก็ตายเพราะเราเอาเราไปวางไปตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่เป็นของศูนย์มันไม่เป็นอนาตามันเป็นอัตตาแล้วมคนก็ต้องตายคนจะต้องร้องไห้นี่พระพุทธเจ้าองค์การตอนไหสัจเทวธาตเท่านั้นเราเกิดมาเพียงมาเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเท่านั้นเมื่อดินดินน้ำไฟลมมาแตกไปไอความตายก็ไม่ถึงเราเพราะเราไม่อยู่นั่นเอาะม่เรางน้ะ ไปดูดิไอรวงครึ่งเห็นไหมไอตัวแม่มันออกนี้หมดไปเอาที่รวงมันนะถูกตัวพึ่งไหมน่ะน่ะมันว่างมันก็ถูกใจขี้พึ่งเท่านั้นแหละตัวพึ่งไปที่ไหนไม่รู้เพราะมันไม่อยู่นั่นแล้วนี่พระพุทธองค์สอนให้เห็นอย่างนั้นเห็นออกจากตัวตนอย่างนั้นอัตตาอนัตตานี้นี่ถ้าเราเห็นมันหมดปัญหาไม่ใช่แต่ปัญหามันหมดเฉลยมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มี ไอคนที่จะแก้ปัญหาก็ไม่มีถ้าเราเห็นชัดอย่างนั้นไม่รู้จะไปฟอ้องกับใครแล้วนะนี่ท่นานบอกให้พิจารณาสังขารตามเป็นจริงอย่างนั้นปัญญาให้รู้เท่าตามความเป็นจริงตามเป็นจริงของสังขารสังขารเป็นจริงอย่างไรให้รู้ตามเรื่องของมันว่ามันเป็นอย่างนั้น น, นี่เราเห็นออกจากตัวตนอย่างนี้ ถ้าพูดกันง่ายก็พูดกันอย่างนี้อืมไม่มีใครตายถ้าเรายกตัวตนออกจากที่นี่สะไปไปตรงโ น, งงน้นสะตรงไหนก็จางมันเด็กเราจะไปอยู่ตรงนั้นสะมันก็มีแต่ดินแต่หน้าไฟลงมันพังไปอ่าพระกุณณมัจณีบุตรกับภาษาทีบุตรซึ่งเป็นสาวกลูกกิจนะอือัตมาก็จำจำแต่เป็นนักเรียนนะ พระปุณณมัณฑนี่บุตรเป็นลูกศิษย์ภาษาที่บุตรอมจะออกทุรรงเดินทุโรงไปก็ห่วงลูกศิษย์เหมือนกันอ่แอะลูกศิษย์ของเรามันจะคมขนาดไหนนเนี่ยเมื่อจะออกไปทุรรงก็มาประชุมลูกศิษย์นยถามปัญหาซะก่อนพระปุณณมัณฑนี่บุตรก็เต็มตัวเหมือนกันนะจะเดนเดินทุรรงเพราะการเดินทุโรงนี่มันต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างอืมปัญหาวาทะสารคัดอย่าง อจนเกิดความฉลาดอ่ะพระถ้าไปสรงแฉะอย่าไปเที่ยวดูจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เนาะอออย่าไปเที่ยวดูโน่นดูนี่นะทุกวันยัง ม, มีทรงรถยนต์ไปจังหวัดโน่นไปทะเลเว้ยไปพังงาวะไปภูเก็ตเว้ยไปเชียงใหม่เว้ยวไปโน่นทางนี้เว้ยโน่นอืโ น, น่นทุเรียนจันบุรีมันหลายเว้ยไปโน่นสบายสงบดีมันสงบอย่างนั้นน่ะ ตายหมดไป่มีเหลือเต่าเอาไปกินปลาไปกินหมดทุรองจะหมายก่อนท่านผ่านลุกประศักด์ไปไหม่ถ้าปุณณมตีท่านจะไปทุรองท่านรอบครอบหรื อ, อยังละ่ะถ้าหากว่ามีคนมอปราดหรือ ม, มีหาบดีทั้งหลายเนี่ยมาถามท่านว่าถ้าปุณณมตีบุตรพระอาริยะบุคคลตายแล้วไปเกิดที่ไหนถ้าเขาถามอย่างนี้ท่านจะตอบพระว่าอย่างไร อาจารย์ถามพระปุณณมาจณีบุตรเลยบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปดูดิดเอออาจจะมาฟังแต่เป็นนักเรียนไม่เข้าเรื่องกันเลยคนหนึ่งถามอย่างนีงคนหนึ่งตอบไปอย่างหนึ่งก็ไม่เข้าเรื่องกันเลยนะแต่นั้นมันเข้าเรื่องแท้แน่นอนเลยเรามันโง่พระปุณณมาจณีพระอดียบุคคลตายแล้วไปเกิดเช่นท่านไม่ว่าง ก็เพราะมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นท่านตอแต่พอเพียงว่าไรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปอืเพราะท่านองค์นั้นท่านไม่ได้ตายมันมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดมันดับไปเฉยๆดินน้ำไปท่านไม่ได้อยู่นั่นเลยท่านไม่ได้ตายไม่ได้เกิดนี่มันก็หมดเรื่องกันแค่นั้นี่คนเฉยๆก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีไอ้คนจะแก้ปัญหามันหมดตรงนั้นเรารู้จากของมันหมดไหม มันหมดตัวเรียกว่ามันไม่มีอ่ะเอน้าถ้าเรามาพูดถึงเรื่องไม่มีแล้วโอ้ยน้อย อ, อกน้อยใจแล้วเกินแล้วมันของในว่านมันแยะเลยเอะอะแต่ว่าไอ้ของเรานั้นระวังอย่าไปห่วงใยเกินไปนะมันไม่ใช่ของเราดะอย่างนี้ฟังไม่ใส่ออกอยากจะออกอยู่มันก็ฟังไม่ออก อ, อยากจะฟังออกอยู่มันก็ไม่ให้ออกบางทีก็ฟังเห็นตามอยู่แต่ว่าไม่ออก กิเล่มันหนามันดันไว้โหดอืมเนี่ยลองลองก็เจ็บลองก็เจ็บเป็นอย่างนั้นจริงๆเชด้วยคือมัริยะมันมันแน่นไว้อืมถึงแม้ให้มรกน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะพอใจหรอกให้มรรย์มากๆให้มันท่วมหั ว, หวนะให้มันร้องไห้กันนะก็ไปอีกซะอย่างหนึ่งแล้วควรเราควรกลับมาฟังธรรมะของท่านเนี่ยมันดีๆที เพราะธรรมะนี่ปฏิบัติเพื่อบามันจะพ้นทุกข์เพื่อจะไม่มีทุกข์ถ้ามันไม่มีทุกข์มันจะเป็นอะไรมันก็ไม่มีตนก็ไม่มีของของตนแต่ให้มีปัญญาใช้ทีเดียวว่าอไม่มีตนไม่ของของตนให้มีปัญญาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นว่าตัวเรานี่จะมาไม่ใช่ตนจะไปเอามีดมาแทงมันก็ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์นั่นนี่นะเออน ะ, นะ คู่ไอนะ้นไม่ใช่ของสัตว์ไปทุบมันที่คนโง่ที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นแจ้งเงินตนก็ไม่มีถ้าตนมีของตนจะมีที่ไหนล่ะเอาเอาให้คิดคิดห๋ือที่คิดดูง่ายๆนะถ้าหากว่ามีเราของเรามีถ้าหากว่าเรามีเราเนื่องกระป๋องนั่นก็คงเป็นของเราถ้าเราไม่มีกระป๋องนั่นก็ไม่ใช่ของเรามันขึ้นต่อกับเรานี่นี่คือก้อนอัตตาแล้ว นีแต่นั่นท่านจึงให้ทำลายก้อนอาตาตัวโซนี่โดยปัญญาไม่ใช่ทําลายโดยการฆ่าการข่รรมมันการฝังมันเลยอืมเนี่ ย, ม, ยมันเป็นเรื่องธรรมดายอย่างนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าองค์จุดประสงค์ของท่านท่านให้ดูโรคอันนี้มันทั่วถึงโรคที่เราอยู่นี่อืมโลกนี้เองแหละถ้าเรารู้โรคทั้งหลายให้มันพอดีพอดีแล้วน่ะจะไม่มีอะไรแล้วอืมน่ะจะไม่มีอะไรอย่างงั้นเรา อะไรเราระแบกกันทั้ขมวดจ่ะทั้งหมดจ้ะอืมไอธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยมันเป็นที่มันเป็นของเหลือวิสัยของของสามัญชนเราผู้ตุชนเราฟังไม่เคยออกอืมฟังไม่เคยออกโอ้ออกมันก็ออกยากเกินนะอือมันออกออกถึงพูดแทบไม่ได้ยินเสียงละอ่ามันอัดมันตันเข้ามาเนี่ย เพราะว่าเราทุกวันนี้เหมือนโอ่์ใบหนึ่งโอ่์ใบหนึ่งน่ะเราตักน้ําแต่ทุกวันทุกวันทุกวัน่นนะตักใส่เพื่อจะให้องค์นั้นน้ําเต็มในโอค์ในโอค์มันเต็มด้วยน้ยํำแต่เราไม่รู้ตูดโอ่งนะเอาอะไรไปขุดขุดโอ่งมันหยา ด, ดหยดนลยเท้สก่กระชังปีกจนตายนะ น้ำมันก็ไม่เต็มโงงเพราะอะไรนะเพราะก้นโงงไม่ปิดมันนะเหมือนกับความอยากเราทุวันเนี่ยหามาเถอะหามาเถอหามาหาก็หามาแต่ว่ามันไม่พอรู้ไหมไม่พอไม่ปิดตูดมันก้นมันรั่วนี่แต่อยากอยากอยู่เรื่อยไปไอ้คนจนก็ยังอยากโยคนรวยก็ยังอยากอยู่นานๆจนไม่เห็นคนรวยเลยไ ม, ไม่มีคนรวยคือความอยากเนีมันจนเดกันทั้งนั้นเนี่ย ไอ้ความอยากนี่มันพาเราเกิดทุกข์ขึ้นมากเหลือเกินมันน่าจะยินดีใช้พิจารณายังจะมาอารมกันอุ้ยอันนี้ตั้งยี่สิบกว่าพรรษานียี่สิบเจ็ดพรรษานี่น่ะอาจจะมาว่าอย่างน้อยต้องบรรลุธรรมะอืออย่างน้อยก็ต้องให้บรรเทามันอืมนะอย่าให้มันอยู่นานเกินไปอย่างน้อยไม่มีชาติที่แปดจะเกิดขึ้นมันก็ยังดีน่ะ อันนี้ยังแกไงเปเป็นหุ่งเป็นแห้งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนนูนหนักตาบอดห่าหอยซาดอยู่แหละไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนเลยนี่นี่แหละจุดที่เราคิดต้องไปทุกวันนี้เพื่อจะให้มันไม่มีทุกเพื่อจะว่าไม่ให้มีทุกคือทุกตามไม่ทันมัจจุราชตามไม่ทันอย่างเราทุกวันนี้ทุกๆุกคนนะทุกทุกคนมักจะอยู่ในกลงเหมือนนกเขาอะ คนในรวยกับมันนกเขาจิอยู่ในกรงทองถ้าเอาทองคำมาทำเป็นกรงใสเข้าไปทั้งนั้นเนี่เอานกเขาไว้ในกรงนันเอาน้ำให้มันกินเอาข้าวให้มันกินให้มันนอนที่นั่นนกเขาก็ขันไปตามธรรมภาษาของมันเนี่ยแต่แม้มันคับแคบหัวใจมันเยอะเกินมันไม่ยินดีกับกรงทองหรอกมันอยากจะออกไปบินไป แต่จําเป็นก็ต้องอยู่อยู่ในนั้นเนี่ยเจ้าของก็กรฟังแม่นกเขาของฉันนี่แม่มันขันดีเรือเตือนไหตอนกลางคืนมัน ง, ง่ายง่ามันก็ขันนะ่ะนกขันเนี่ยนะมันหน้าเลี้ยงมันไว้นะไม่นึกว่าเอาตัวเราไปขังไว้งั้นจะดีไหมเอากรงทองใส่ไว้จ้ะเอาข้าวปลาอาหารให้กินอยู่เนยไม่ต้องให้ไปที่ไหนล ะ, นะเออโลกประสาทเนี่ยมันจะเต็มนลยนะ เออลองลองดูทีอันนี้เขาเป็นนกเราเป็นคนนี่ไหวขังเขาไว้อย่างเต็มที่เลยเอย่นึกว่ากนกขันมันขันไพเราะได้เกิมสนุกสนานเนี่ยดูดิบางทีเมื่อชีวิตคนนี้อยู่นกไม่ได้ออกดอกอาจจะมาเคยไปยบางทีจะของนกตายเข้าหามสัตว์ประวชาตนะิถือกรงนกไปแล้วอาจจะมาเคยปล่อยเนี่ยอืม เอาเจะ้องไปไประชาเผาในนกกระปล่อยโอ้โหเนานะรักษามันไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยต้องใช้มันนาถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องมันจับไปกันจับให้ดีนะจะให้แตกนะนะต้องขู่มันไว้อย่างเงี้ยอืมอย่าไปมาเด็กมันจับเลยช่างมันเถอะลูกแตกก็ช่างไม่ใช่ของเราหรอกเอไม่มีหลือแล้วสิบหายเลยนคนโง่ที่สุดแล้วอ่คนโม้ที่สุดแล้ว นี่มันต้องเด็กมันต้องไม่รู้จักต้องต้องสอนมันอย่างนี้ระวังนะไอ้ถ้วยเนี้ยเอาไปใช้เนะี่ยให้ทําสะอาดแล้วกเก็บไว้ให้ดีเก็บให้ดีเลี้ยวไอ้สุนัขแมวจะทํามันแตกนะระวังดุไว้เถอะแต่ว่าให้เราดูเรื่องซะก่อนถึงพูดมันนะเมื่อถึงคราวมันแตกปุกก๊บกระดูมันใช่หน่อยแว่าบบดุคนอื่นต้องดุเราซะก่อนนะดูโดยวาจาจจะไป็นดุหายใจเราเป็นทุกข์ใจไหมอือใจ ถ้าเห็นมันไม่ใช่ของเราจะก็ช่างมันเถอะกินไม่ต้องล้างมันก็ได้สิ่งตรงไหนก็เป็นยาไม่โง่ที่สุดแล้วเนี่ยเนี <N> ่ยแล้วก็ต้องอันนั้นเปนของเด็กนะเปนของเด็กแล้วเจ็บแล้วต้องรักษาไว้อกินแล้วต้องล้างให้มันดีเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวจะไม่เงินเนีพอใช้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกคนไว้อย่างนี้อืมบอกไว้แต่สังคราวมันจะแจกทิ้งเที้ย ก, ก็ให้มันแจกไปเถอะ ต้องวอกขยำเด็กเองร่วังใะวันหลังนะถูกเที่ยนนะเนี่ยนะอย่าไปทาแบบนี้คิดหายหมดแล้วต้องว่าไปตามภาษานี่เองเออนะต้องว่าไปตามภาษานะอย่าไปปล่อยที่ว่ามันไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวเราเป็นทุกข์นะเดี๋ยวคิดหายหมดถ้วยในบ้านเนาะนี่ต้องรู้จักภาษาอย่างนี้สอนเนี่ยต้องสอนรู้จักภาษาอย่างนี้อืมนะภาษาอย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้สมมุติอย่างหนึ่งวีมุติอย่างหนึ่ง ให้รู้วิมุตต์ต้องรู้สมมุ ต, ติสู้รู้สมมุติต้องรู้วิมุตต์ให้รู้จักอย่างนี้แล้วมันจะสบายแล้วมันเกิดหลับตรงไหนเน่ะมันเกิดไม่มีอะไรน่ะมันเกิดมาเลยอาศัยแต่นี้ถ้ามันยังมีเศษอยู่มันก็ยังเหลืออยู่นะอืพถ้ารรมมันมีรูปวิจนาวิรมีรูปวิจนาคือความสุขทุกสัญญาคือความจาสังขารคือความเปลงแจ่มวิญญาณคือความรู้ เกิดได้ดับไปไม่มีใครพระถนัดถ้าคุณเข้าใจม่าตายแล้วคุณจะไปเกิดตรงนั้นอ้คนนี้ไปเกิดตรงนี้คุณก็ยังทุกข์ไม่มีจบแล้วนี่คือมันไม่หมดอย่างนั้นพระอริยะบุคคลทนเยอะพระกีณาศพสิ้นมันสิ้นไปมันสิ้นทุกอย่างมันหมดแต่เราวก็แ้่พูดถึงหมดก็ไม่สบายใจนะ จะไม่มีที่อยู่นะมั้งอะไรก็หมดหมดหมดหมดหมดเลยเลยเลยไม่รู้เรื่องมันที่จะที่มันจะสบายนี่นี่มันมันเป็นของยากอยู่อย่างนี้เรื่องโลกนี้โลกุตระโลกุตระชื่อโลกุตระคือชื่อไอพ้นจากโลกนี้พ้นจากดีสายคนพ้นจากความรู้สึกนึกคิดคนในโลกนี้ทั้งหมดเรียกว่าโลกุตระที่อยู่ในโลกเรียกว่าโลกีโลกียะ โลกียะถึงไม่มีปัญญาขนาดไหนก็เหมือนอาตมาว่าน่ะไงไอ้นกเขามันจะขันไพร่ละขนาดไหนมันก็อยู่ในกรงมันถึงมีปัญญาขนาดไหนมันก็อยู่ในกองทุกข์จะเป็นขณะบดีต ร, ตรงไหมก็ช่างมันจะอยู่ในกองทุกข์มันสุขเพราะอะไรมันสุขเองอามิ t ไม่เป็นนิรามิสุขนิรามิตสุขนั่นมันสุขเพราะไม่เองอามิ t h อถ้าอิงอาิ i t h จะไม่เรียกว่าสุขเอาอิงอา mith เราอิงอะไรน่ะอิงราบอิงยศอิงสันเสริญอิงการดั่มกันโดยอิงแทบอิงเนี่ยไปอิงไปพิงอยู่นะไปพิงไอ้ไอ้หัวตองที่มันผุๆนะพิงไปพิงมาแล้วซองก็หักพุ่งลงน้ํากันน้ะมันจะพิงคนอื่นเขาเนีมันเป็นอาิ i t h สุขเออนึ่งพระพุทธเจ้าจะให้รู้จักมันซะ แต่เรื่องมันไม่ให้รู้เรื่องของมันให้รู้ของมันจะมันจะรู้จักว่างูหรือเรารู้จักว่าอันนี้ยาพิษแต่ว่ายาพิษมันจะเป็นอตรายเมื่อคนเข้าไปกินมันจะเนี่ยถ้าเรารู้มันแล้วเป็นต้นยาพิษมันจะมีพิษขนาดไหนเป็นต้นก็ไม่เป็นอันตรายกับคนที่รู้จักเพราะไม่ได้ไปกินมันเนี่ยมันเป็นอะไอย่างนี้อืมยาพิษมันก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทําอันตรายแก่คนผู้ที่รู้แล้วไม่กินมันอืม แต่คนผู้ตีสร้างยาพิษก็รู้ว่ายาพิษนั่นว่ามันดีแต่ว่ามันดีไปทางมันชัว่วอถึงเนี่ยนายกอจะจะจ ะ, จะปรุงยาพิษขึ้นขายก็ต้องโภชนาญาชันดีนะเอาให้สุนัขกินตัวตายให้หมูกินตัตายให้อะไรกินตัตายให้เป็ดในไก่กินตาย ให้คนกินก็าตายถึงนั้นน่ะดีขนาดนั้นน่ะยาฉันถ้าดีขนาดนั้นให้คนกินดูสิให้เจ้ของอยาคิดกินดูโอ้ไม่กินเพี้ยอว่าดีทํำไมล่ะดีให้คนตายดีให้ตัดตายดีขนาดนั้นดีนอกทางพุทธศาสนานี่ไม่จะดีในทางพุทธศาสนานี่มันก็ดีไปอย่างนั้นน่ะั่นถ้าว่ายาคุณอให้คนกินก็าตายถา้ามันดีเรือเกินขายแพงคนก็กินดูสิ คนปุงยามจะกินไหมนะไม่กินนะแต่ทางมันมาดีดีแต่ว่ามันไม่กินมันจะตายนี่มันรักชีวิตมันมันเป็นแค่แบบนี้ดีมันหลายอย่างอย่างนี้แหละอืมแต่ว่าเิ็นทั้งหลายแล้วเนี่ยไอ้ธรรมะของท่านครอบหมดแล้วท่านพูดอย่างสบายแต่เมื่อไรคนยังจะเข้าไปเห็นได้คนมันเข้าไปไหมเพราะอัจตามันกั้นมืออืมกั้นแล้วถ้าหากว่าปลอยเช่นนั้นเดี๋ย เวลาค่าโทสะโมหนะน่ะมันจะเบาไปแต่ในเวลาเนี่ยเมื่อชีวิตกันนี่ถ้าหากว่ามีแต่ลูกเวทนาสัญญาสังขารดินญาณเท่านั้นสมมุติแล้วก็มีดินน้ําไฟลมเท่านั้นเป็นคนคนแล้วเอาเอาสมมุติคนก็ไปใส่เท่านั้นถ้าเรา ร, รู้อย่างชัดเจนเลยจะเขาว่าอะไรก็ก็ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรนะง่ายพูดง่ายเลยนีเเเ่เขาว่าอไ อ, เ, อ, เ, อเปรเนี่ยอย่างเงี้ย ก, ก็สบายนะถ้าว่าไอสุนัข ก, ก็จะสบายนะแต่คนไม่รู้น่สบายยากเหมือนกันนะกั้นเต็มทนดีเลยนะจุงจะรับฟังถ้าเรายอมรับธรรมะอย่างนี้เราก็ไม่มีปัญหาแล้วปัญหาที่จะไม่ต้องแก้มั น, มนแก้ในตัวมันแค่นั้นโลกนี้มันลำบากเพราะอะไรเนะี่ยเพราะเราเอาตามใจของเราอยากให้โลกนี้มันสม่ำเสมอ อมันไม่สม่ำเสมอแล้วโลกมันเป็นของมันอย่อยางเงี้ยอืามันเป็นอย่อะอยา่างไงคนนั้นมันคนนั้นทุกๆุกคนเนี่ยมันไม่สบายเพราะมันขัดใจเห็นอหมอพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ในบ้านมันสบายในบ้านพ่อเนี่ยเพราะลูกขัดใจผัวขัดใจเมียขัดใจเต๋อขัดใจหมูขัดใจเพื่อนขัดใจมันถึงเป็นทุกข์นี่เพราะการขัดทีนี้โยมจะไปอยู่ที่ไหน จะให้พขาพูดถูกใจเราทุกทำเราจะไปอยู่ตรงไหนในโลกเนี่ยเราถึงจะสบายกันไม่มีถ้าไม่มีโยมไปตายกันทั้งเป็นดิเป็นทุกข์หมดจิตือจะให้คนพูดถูกใจเราทุกคนให้ทําถูกใจเราทุกคนเราถึงจะสบายมันจะมีโอกาสที่จะสบายไหมแม่ใจอันพ่อบ้านแม่บ้านอยู่รักกันเนี่ยแมมันเกิดทุกวันพูดง่ายๆแต่เนาะมันจะขัดใจไม่มากก็ต้องน้อยอะเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้ว แต่เราจะสบายจะเอาตรงไห น, นเอาที่คนไม่พูดผัดไม่ไม่พูดผัดใจฉันนั่นฉันเองจะสบายโอ้ยไม่มีเวลาเกิดแล้วเนาะตายตายทั้ทงเป็นแล้วเอาลองลองดูที่นี่ที่นี้วันนี้ก็เป็นทุกคนนั่นก็ขัดใจคนเมื่อไรเราจะหายทุกคนเหล่านี้มันไม่เข้าใจมันจะทั้งต้องทําอยู่อย่างนั้นแล้วก็ขัดใจเราอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกเวลาต้องตายนั่นแหละทุกจนตาย อทุกดวงตายระวังนะไองัวดีๆเนี่ยปวยดีๆเนี่ยงัวดีๆเนี่ยใส่เตียนนี่ยเขาซื้อแพงนะเขาจะาขายก็ไม่ขายง่ายๆใส่เขาก็ใส่หนักที่สุดอะมันราคามันสูงนี่วะแก่จนจะตายเขาก็ไม่ไม่วางนะ่ะมันจะขาดทุนเ้าจงบันทุกให้หนักถึงเนี่มันตายแดดไม่แดดเนี่ยก็ขายแขกอีกค่ากินอีกขายเนื้อมันอีกขายกระดูกมันอี่เพราะมันซื้อแพงนี่นะลองดีๆเถอะพวกเขา พวกเราคือมันการเพชที่มันจะเป็นอย่างนั้นเอขายไม่ได้ฉันขายไม่ได้เขาต่อดทำไม่ได้ฉันชื่อแพงฮะฉันต้อต้องใช่มันคุ้มค่ามันใส่เห็คุ้มค่ามันโอ้ยหมดเลยโยมหมดกระดูกหมดหนังหมดขี้หมดอะไรทั้งหมดขี้อ่อนขี้แก่มันไม่มีเหลือขี้อ่อนมันกินขี้แก่มันทําปุ๋ยไล้ไม่มีเหลือให้มันคุ้มค่ามันไม่มีราคาหลายเนี่ยจะเอายังไงล่ะ ตรงไหนพวกเราจะไปเอาทุกข์กันตรงไหนล่ะเอาสบายกันตรงไหนล่ะถ้าไม่เห็นในธรรมะนี่ยจะสบายตรงไหนได้เอาลองๆองหน่อยสิฉันเรียกรูปคนนี้มันโตแล้วก็จะสบายหรอกมันโตก็ไปเอาผัวเอาเมียมันเอาลูปมาอีกนะเอามาให้แม่เรี่ยงอีกโอ้ยยิ่งไปเรียกเอาก็ะเขามาไปอุ้มมานโนอืนบนจะม่ฉันยากฉันทุกนู่นนู่นมันต้องไปนู่นไปนอนแล้วก็ะเขาเมื่อเขาจะคลอดเลยนะ เออไปนอนชอบเอามดเขาจะคลอดน่ะไปดูร้านเนี่ยเขาจะคลอดได้หลายคนจังหวัดนี้ไปหาคนนั่นจังหวัดนี้ไปหาคนนี้เออจะทําไงล่ะจะให้มันจบมันเลี้ยงมันเออให้มันโตมานี่กูจะกูจะสบายแล้วมันโตมานี่จะสบายคนไม่รู้เรื่องจักนะมันเล็กกว่ามันเล็กอีกอะมันโตแล้วหนะหเออเนี่ยจำไว้นะเม็ดเมล็ดมันน่ะเมล็ดมันมันยิ่งไอมันยิงไร่กว่าไอ ไอ้ต้นที่มันเกิดมาแล้วจะต้องอาไปเพ่ออีกพริเอ้ยต้องจ้องรักษามแมลงย่ากอบเตาอีกเนี่ยมันก็โตขึ้นมาอีกแต่โตจะสบายแล้วเมล็ดมันยังอยู่อีกไม่หมดแล้วนะตรงไหนเมื่อเราจะให้มันทนทุกข์เมื่อไรเอาไปอีวันนี้ให้การบ้านทุกคนนะให้การบ้านไปพิจารณาดูทีให้ระวังอระวัง ระวังไอ้พายเรือข้ามแม่น้ําระวังนะไม่จะขุดไปเรื่อยๆนะมันทั้งขาดทั้งวาดแล้วไม่ใช่พาอ ย, ย่างเดียวนะแล้วเข้าในป่าแล้วมันชนป่าหลระวังอะให้ระวังน่ะให้พิจารณาอันนี้เอาประดับประหลับของรู้ของเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้อืมไข่ล่ะถ้าเรามาเห็นธรรมะใครไม่เห็นธรรมะรู้ธรรมะแล้วก็เรียนธรรมะแล้วการู้ธรรมะก็ยังเป็นทุกข์ รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะก็ยังเป็นทุกข์ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะแล้วก็ยังเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วทุกข์อยู่ทางนั้นแหละเี่ยเรียนธรรมะรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะเป็นธรรมะนู่นจบละขนาดรู้ขนาดเรียนขนาดปฏิบัติเลยจะไปฝันเลยน้าตามันไหลอย่างงั้นถ้าเป็นธรรมะนั่นแหละมันจะเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนะ เอออย่างใจนัน่นนะไม่ใจเด่นเด่นนะเออไม่ใช่นิอันนี้เราให้ทานไปก้อนนี่เออชาติหน้าต่อไปให้อีฉันได้มากตอนนี้หนักยิงเอาหนักตัว น, นี้อีก อ, อ, อันนี้อันนี้พูดให้พวกจำสินฟังนะเอออันนี้พูดให้พวกจำสินถินฟังอันนี้ไม่ใช่ฉลองสั ป, ปทานนะ สองสะพ า, านจะต้องสร้างถนนไปเกิดชั้นนั่นส่องส่องสะพานไปเกิดชั้นนี้โอ้โหมันมันบุบไม้เหลือเกินนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาวันเนี้ยอนะถ้าใครมาดีก็คอหักแล้วันเนี้เนี่ยนี่อันนี้ทําผู้ใหญ่อันนั้นทําเด็ ก, เ ด, กเด็กน้อยแล้วทําเด็กน้อยอย่างเด็กมันเดินเป็นลมคุกเอ้ยแม่คุกหมูแล้วเนีมันจะร้องไห้ยังไะมันนึกว่าคุกหมูมันเดิไปให้นะโกหกวันทั้งนั้น อืเมื่อเราก็หกเมื่อเราไม่สมัยมานโมโหปมมือตีหลังมันเครีมันจะร้องไห้แม่แม่ตบยุงหรอกเด็กมันก็อื้อแม่จบยุงก็อยากจะให้ครึ่งหนึ่งไม่ให้ครึ่งหนึ่งไม่เลยไม่ให้เลยนะมะมันต้องแดงเอานั่นมาซะมันเรื่องขนาดนั้นเนี่ยอันมันเรื่องขนาดนั้นอันนั้นมันเรื่องพูดกับเด็กมันพูดกันดอจะร้องไห้เอาหนูมาใส่ก็ไป้างรีไม่ให้ครึ่งหนเมื่อจะร้องไห้มันเจ็บพอจำเป็นแบบเอายุงมาใส่กับมันให้หยุดนะ อันนี้กูมันกันแหละ ม, มันอยากได้หลายสิ่คนต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ผลจะสุดมันต้องหมดลนะ่ะอันนี้มันหมดหมดมันจะอาไปเทลงมูลนะไม่จะไปเทลงลงแม่น้ํานะหมดเพราะปัญญาของเราหมดคืออยู่ไปด้ความสบายอยู่ไปโดยไม่เป็นทุกข์ทำงานก็ยไม่เป็นทุกข์อย่าพูดก็ไม่เป็นทุกข์จะเก็บป่วยไข้ก็ไม่เป็นทุกข์เออมันเหนือนแต่ดินแต่น้ําแต่ไฟแต่ลมถ น, นัดซากตอนตอนนี้นะ อันนั้นอ่ะไม่มีปัญหาแะไม่มีปัญหาก็ไม่มีใครจะจะเฉยปัญหาแล้วมันหมดตรงนั้นไอความมุ่งหมายเราไปตรงโน้นทุกวันเนี่ยยังมีใครคิดยังยองไปรู้หรือเปล่ากคไม่รู้ที่พูดมาเนี่ยนั่นอาจจะมาเพิ่งบอกว่าเอาวัตพงเราเนี่ยกลับทีเอง น, นั่นทุกวันนี้มันคล้ายๆว่าบ้านเก่าๆของเราเนี่ยนะดินมันจืด ดินมันจิปลูกผักก็ไม่งามปลู ก, กได้ก็ไม่งามโน่นไปผูดินแดงน่ไปเลาะชายแดนโน่นดินใหม่ๆงา ม, มแต่ว่าไม่กี่วันมันก็จือดอีถ้าเราอยู่บ้านเก่าแล้วเนี่ยทำคันนาขึ้นนะพื้นดินขึ้นเอาปุ๋ยีมาใส่ซะงามแล้วอคนไปถือก็ย้อนกลับมาแย่งพวกเราอย่างต่อไม่ต้องเอาไรเอาไรเดียวก็พอแล้วอยู่ที่ปีบารินเนี่ยจะรู้มันทำสวนจะทำตกะกร้านะอืม ยามนาเมื่ก็ทำนาซะเอามันสองสามไร่พอกินนี่มัดประพงศ์เราก็มันก็แตกนี่หมดแล้วเนี่ยจืดมันจะจือดแย่อนลงย่อนลงๆๆ เ, ลเราต้องฟื้นข้อวัดอันเก่าของเรานะทำมันอยู่ที่เก่าแล่ะแต่เราทำให้มันดีขึ้นทำปุ๋ยให้ดีขึ้นฟื้นดินให้ขึ้นรักษาให้ดีขึ้นงามมันงามดีขึ้นอย่าห่วงอันโน้นอันนี้อยูย่โน้นอยู่นี่ยาเลยอย่างเนี้นี่มันจะเป็นอย่างนี้อืม เข้าใจว่าอะไไม่ออกอืเข้าใจภาษาโบราณทำไว้จังไรเสื้อสั้นแห้งมันทั้งรวงกินไก่เนี่ยคอข้ามเมือนรวงไก่กินไก่แน่เป็นสันไหมอืมขันบอลภาษาอีหอยเมย่าเอาเป็นสันตัวเอาอยู่ใกล้ๆนี่เลยจะไปเอาไกไ่ใส่ค้นลักข่าไก่ค้นไม่ข่าไกเอามันอยู่นี่แล้วที่ไปใจเข็ดสวน เ, เขาเข้าหนีขืนเอาปุ๋ยใส่เขามาตั้งคอวาดขึืน มาวัดใน ภ, ภาวนาธรรมะยามมาคุยกันอีๆๆๆแห่งดีเดียบร้อยนะอืออันนี้เป็นขอวัดเพราะเขาจตดองไปอย่างหน่อยมันคนทุกข์ชั่วขณะเลยที่มันชักวขณะเดี๋ยวมือนี้มีโอกาสมาเบาๆฟังเสีดอกมือนี้มันจีบเวทภาญาไปเตี